คะท่านฟังค่ะได้เวลาที่จะสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุลโนในช่วงเวลาถามโลกตอบธรรมกันนะคะน้มันสการกันทั้งคะจะเดินผ่อนค่ ะ, ะ, ดค ะ, ะเดี๋ยวท่านจะตกใจความจริงเรื่องมันมันมวยเนี่ยมันเข้ามาในใจแว๊บหนึ่งเพราะว่าเกิดไปดู <c oughs> มวยแต่เรื่องประเด็นหลักประเด็นหลักนี่เป็นประเด็นสําคัญซึ่งอยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่มีความเป็นห่วงเป็นใยว่าเอ๊ะเรื่องความขัดแย้งที่ดูเหมือนกับว่า น่ากลัวว่ามันจะเป็นการขัดแย้งต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าสําหรับประเทศไทยกับเพื่อนบ้านคือกัมพูชานะคะ ừ ừ ừ ừ. ที่มันกลุ่นมาเป็นเวลา น, านานตอนนี้อาจจะคลายลงไปบ้างแต่มันทําให้เรานึกถึงว่าหน้าที่จะศึกษาว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้จะจัดการอย่างไรบ้างเพราะว่าความขัดแย้งถ้าพูดถึงเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ความขัดแย้งจริงๆแล้วมันมีในทุก สัด ส, ส่วนของการที่มีคนมากกว่าหนึ่งคนนะนะคะขัดแย้งระดับชาติครับขัดแย้งระดับภูมิภาคขัดแย้งระวังสังคมเล็กๆโรงเรียนวัดยังมีความขัดแย้งเลยแล้วก็ความขัดแย้งส่วนบุคคลอันนี้เป็นความขัดแย้งที่พบได้ทั่วไปแวะเรื่องมวยนิดเป็ก่อนนะท่านคะเรื่องเกี่ยวกับมวยเนี่ยก่อนอื่นเลยคือสิ่งของพระนี่บอกอย่างนี้ว่าการละเล่นหรือการแสดงอะไรเนี่ยนะที่เป็นค่าศึกต่อกุศล อันนี้พระไม่ควรจะไปดูอันนี้ก็เป็นศีลของเธอรประการหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้อะไรบ้างที่เป็นค่าศึกต่อกุศลการแสดงโคมการเล่านิทานการปรบมือตีคองตีกลองหรือการละเล่นอะไรที่แบ่งออกเป็นฝ่ายอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสถึงมวยหมัดการชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่อย่างนี้หรือแม้แต่การที่จะไปดูเขาตรวจผลส่วนสนามเนี่ยก็ไม่ได้เป็นศีล ตรวจพลสวนสนามยกพลยกกองทัพเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการแบ่งเป็น2ฝ่ายนี่คือจุดประสงค์ที่เรียกว่าเลยไม่ให้พระเนี่ยไปสนใจเรื่องพวกนี้คือไปไปดูการแสดงเป็นค่าศึกต่อกุศลนี่คือคำบระเจ้าแต่ว่าท่านทรงจําแนกไว้ด้วยว่าการเล่นที่แบ่งฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าอย่างมวยนี่ก็ถือว่าแบ่งฝ่ายอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ฟุตบอลก็ไม่ได้สิคะมันมีสองทีมท่านค่ะฟุตบอลเนี่ยจะเป็นประเภทที่เรียกว่า <c oughs> เป็นการแบ่งฝ่ายเพื่ อ, อเขาเรียกว่าเป็นการเล่นหมากเป็นการลเล่นสองฝ่ายเนี่ยหมากรุกบ้างหมากไว้เล่นพวกลูกลูกบอลเนี่ยก็ไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้พอหอมปากหอมคอแล้วกันนะคะท่านฟังถ้าอาจารย์คะมาเข้าเรื่องสำคัญดีกว่าเพราะว่าเห็นท้าอาจารย์บอกว่าถ้าพูดเรื่องความขัดแย้งเนี่ยคงจะพูดวันเดียวไม่ได้ด้วยใช่เพราะว่า อย่างตัวอย่างเรื่องของมวยเนี่ยซึ่งเราจะลิงก์เข้าไปในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยพระเจ้านี่ตรัสเรื่องนี้ไว้มากมายมากเรื่องสาเหตุของความขัดแย้งตัวอย่างของความขัดแย้งที่มีในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีความเห็นต่างๆมากมายพุที่พุทธเจ้าแบ่งแยกให้ดูเนี่ยมีทั้งหมด62ความเห็นซึ่งแต่ละความเห็นเนี่ยก็มีความเห็นอีกอันหนึ่งตรงกันข้ามกันแ๊ะเลย ถามาสองฝ่ายเนี่ยก็มาทะเลาะ ก, กันอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระรุจ้าเลยบัญญัติธรรมวินัยเนี่ยเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วก็ได้ทรง อ, อธิบายถึงเหตุเกิดอะไรเป็นเหตุเกิดอธิบายถึงเหตุปัจจัยสายปฏิจจสมุปบาทในสิ่งที่ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นได้นะแล้วก็วิธีแก้ปัญหาตัวอย่างเป็นลักษณะของกรณีศึกษาที่มีอยู่ในนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่จะพูดก่อนเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยพระรุจ้า มีครั้งหนึ่งที่มีพรามองหนึ่งไปถามพระหมหากระจานะถามว่าเอ๊ะทำไมกษัตริย์เนี่ยก็วิวาทกับกษัตริย์พราหมณ์ก็วิวาท ก, ก, กับพ ร, ราหม์ขราบดีก็วิวาสกับขราบดีพี่วิวาทกับน้องบิดามารดาวิวาทกันอะไรต่างๆเนี่ยเพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระหมหากระจานะตอบว่าเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นปัจจัยเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นใบพระกรรมนั่นเดียวรกรรมเนี่ยคือความยินดีพอใจใน รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็พลทธาพาที่เกิดขึ้นใช่ั้ยอันนี้คือเหตุอันที่หนึ่งก่อนแล้วพระองคนี้ก็ถามพระหมหาก า, ารนะต่อยว่าเอาแล้วอะไรเป็นเหตุทำให้สมณะเนี่ยวิวาดกับสมณะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นเหตุประการที่สองก็คือพระเนี่ยออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วใช่ไหมก็เป็นผู้ที่สละกามออกส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นอะไรล่ะเป็นเหตุที่ทำให้สมณวิวาชกับสมาะพระมหากระจนก็ตอบสอดคล้องกับที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้คือเรื่องของทิฏฐิเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันก็เลยทำให้มีการวิวาทกันได้ท <Okay. S 1> ีนี้อันนี้เป็นเป็นเหตุเบื้องต้นเฉยๆแล้วต่อจากนั้นเนี่ยในสมัยสมัยก่อนเนี่ย พทุทธเจ้าก็ยังยกตัวอย่างของเรื่องอพวกที่ตาบอดคำช้างคือมีครั้งหนึ่งในเมืองพระนศีเนี่ยก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งเนี่ยเรียกพวกคนตาบอดแต่กําเนิดมาใช่ไหมคนหนึ่งก็ให้ไปจับหางช้างคนหนึ่งก็ให้ไปจับหัวช้างขาช้างท้องช้างหลังช้างบอกว่าอันนี้คือช้างเสร็จแล้วพวกตาบอดคำช้างเนี่ยก็มาเถียงกันว่าเฮ้ยช้างเนี่ยเหมือนงู ช้างเหมือนไม้กวาดช้างเหมือนพ่อหมช้างเหมือนเสาอะไรต่างๆเนี่ย <Okay. S 1> แต่และคนแต่และคนเนี่ยก็ทิมแทงอยู่ด้วยหอกคือปากเถียงกันไม่ว่าอะไรจะเป็นยังไงช้างต้องเป็นอย่างนี้ช้างไม่ใช่อย่างนั้นนอกจากนี้นอกจากการที่ไม่เห็นภาพรวมของปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยมีครั้งหนึ่งเท้าวสกัดเทวราชไปถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะอะไรนอ้อเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้พวกมนุษย์อสูรนาคคนท่านต่างๆเนี่ย แบ่งเป็นกกเป็นเหล่ามีการจองเวรมีศึกเบียดเบียนซึ่งกันและกันอะไรต่างๆแล้วจะ ด, ดับเหตุอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้มีการจองเวรไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้เป็นฆ่าศกาึกต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงเหตุในการที่วิวาทกันเหล่านี้ก็เป็นเพราะว่าความอิจฉาและความตระณี<แ>ถ้าดับตรงนี้ได้ก็จะทําให้เรื่องการวิวาท ด, ดับลงไปได้ที่มีที่มี ความตรณีความอิจฉาเนี่ยพุทธช า, าบอกว่ามันมาจากตันหาพอมีตันหาแล้วเนี่ยจึงมีการแสวงหาจะเป็นคนเรามีความอยากแล้วมันก็จะหาหนู่นหานี่พอมีการหาแล้วเนี่ยมันจะได้พอมีการได้เนี่ยก็จะมีความปร่งใจรักพุทธิชาตรัสต่อว่าพอมีความปร่งใจรักแล้วเนี่ยจะมีความกำหนัดด้วยความพอใจเรือกได้อย่างความเพลิน พอมีความพอใจแล้วเนี่ยบุคคล น, นั้นจะรู้สึกถึงความสยบมัวเมาเมื่อมีความสยบมัวเมาแล้วจะเกิดความจับอกจับใจเมื่อมีความจับอกจับใจแล้วจะมีความตรณีความตรนีอยู่ตรงนี้เมื่อมีความตรนีแล้วจะมีการห่วงกันแล้วก็จะมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันตามมา เช่นอะไรบ้างเช่นการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการกล่าวคำหยาบการพูดเท็จโอโอกุศลธรรมต่างๆตามมาเป็นขบวนอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าบางเอิญคำถามของท้าวสักกะเนี่ยถามว่าทำไมถึงเกิดการแบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่าจะว่าไปเนี่ยวันนี้น่าจะสนใจประเด็นนี้มากที่สุดนะคะว่าเพราะอิจฉา อิจฉานี่เข้าใจง่ายถ้าภาษาพระเขาเรียกอิจสาหรอคะท่านอิจสาเกือบตั้งชื่ออิจสาแล้วนะคะเนี่ยอิจฉาแปลว่าอิจสาส่วนอีกคำหนึ่งมัตชริยะืมัตชริยะนะคะชื่อคล้ายๆปลามัตฉาอะไไม่ใช่นะคะแต่มัตชริยะแปลว่าตรนีทีนี้ท่านอธิบายเนี่ยค่ะที่ถามย้ำเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านช่วยย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าทั้งมัตชริยะและตรหนีที่ว่ามาจากตันหาเนี่ย แล้วจึงเกิดขั้นตอนต่อไปคือการแสวงหาพออยากได้เลยพยายามขวยคว้ามาให้ได้อยากได้ทรัพย์สินแสวงหาให้ได้ทรัพย์สินอยากได้เงินทองแสวงหาได้เงินทองอยากได้อำนาจแสวงหาจนได้อำนาจพอได้แล้วก็เกิดปรองจรักนี่รลุ้มหลงหรือเปล่าชอบมันพอมีการแสวงหาจึงมีการได้พอมีการได้เนี่ยก็จะมีการปรองจรักความหลงใจรักเนี่าชมันมายคสวาจึงมีการู้สึมีการไ้เนี่ยก็จะมีการปองจรรากลุ้มหลเปล่าอบมันอ โปร่งใจรักสิ่งนี้ก็จะมีความพอใจเงินของเรากระบวนการตรงนี้มันรวดเร็วมากพอเราแสวงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บมีการได้มีความปร่งใจรักสยบมัวเมาจับอกจับใจใครจะมาเอาไปไม่ให้หล่กะก็มีความตระนีตรงนี้พอมีคนจะเอาไปเนี่ยเราไม่ไม่ให้ก็คือเกิดความตรณีขึ้นอเพราะมีความจับออกจับใจเนี่ยนะคะ คือท่านกำลังพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่มันเร็วมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกระบวนการทางจิตอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีความรู้นะคะว่าพอปรองใจรักปุ๊บก็จะอะไรนะคะปรองใจรักเนี่ยก็จะอะไรด้วยอํานาจความเพลินความกำหนัดด้วยความอํานาจความเพลินในความพอใจความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินก็พอใจมันแล้วก็สยบมัวเมาไม่ค่อยเข้าใจใช่ไคะสยบมัวเมาเนี่ยก็คือเพลินไปหลงไปในสิ่งเหล่านี้ สยบในใหน้ความ น, น่าชื่นชมของอํานาจทรัพย์สินเงินทองถูกต้องนะคะสิ่งที่ได้มาแล้วพอมันเกิดความรู้สึกอชอบมันมากๆไปชอบมันจนกระทั่งเราเป็นทาสมันเนี่ยก็เลยเกิดความตัวนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะคือแทนที่คนบางคนก็ได้ยินหมหว่ า, อาพอมีเงินมากๆเนี่ยเราไม่ได้กลายเป็นเจ้าของเงินเงินกลายเป็นเจ้าของเราอ่ า, อาก็เพราะว่า มีความจับอกจับใจเลยมีความตระนีเกิดขึ้นค่ะทีนี้พอพูดคําว่าตะนีเนี่ยเนื่องจากว่าภาษาทางโลกเนี่ยตะนีมันเหมือนกับขี้เหนียวไม่ค่อยอยากจะให้อะไรของเราไปให้คนอื่นบางคนก็เลยไม่สามารถที่จะทะลุปราการของความหมายของภาษาทางโลกจึงต้องอธิบายนิดนึงนะคะว่าตะนีในทางนี้ถ้าสมมติเป็นเรื่องทรัพย์สินก็อาลาเข้าใจง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนรักอันนี้ก็คงจะเข้าใจยากถ้าหากว่าพูดคําว่าตะนีในภาษาทางโลก ก็คือว่าก็คือห่วงห่วงหวงผู้รักของเราอันนี้ลูกฉันอันนี้หลานฉันอันนี้คนรักฉันแต่ต้องไม่ได้ฝทีนี้พอเป็นเรื่องของอำนาจอยากได้อำนาจไว้เป็นของเราไม่อยากแบ่งปันให้คนอื่นก็ลักษณะว่าคนมีเงินมากแล้วก็อยากมีเงินมากอีก ค, คนมีอำนาจมากแล้วก็อยากมีอำนาจมากอีกนี่คือความหมายมที่กว้างขึ้นถ้าเป็นคำว่าตรณีซึ่ง<ช>เป็นปัญหาของความขัดแยง้งทะเลาะวิวาทกัน<ช>และแบ่งกันเป็นกบเป็นเหล่านะคะพอมีความตรณีแล้วจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งคือมีการห่วงกันค่ ะ, อะพอมีการห่วงกันก็จะมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันเนี่ยค่ะท่านฟังคงจะเห็นนะคะถ้าหากว่าคิดตามไปว่าพระพุทธองค์เนี่ยวิเคราะห์ เหตุที่มาเนี่ยได้อย่างละเอียดอธิบายได้ทุกขั้นทุกตอนแล้วก็เอามาปรับประยุกต์ได้ไม่มีการตกยุคตกสมัยเ ป, เป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องวารจิตไงเพราะนั้นอาการตรงนี้เป็นอาการทางจิตที่เกิดขึ้นรวดเร็วมากบางทีเราไม่รู้ตัวถ้าเราไม่ได้มาศึกษาตรงนี้เราจะไม่รู้ว่าอ้อาการทางจิตของเราไหลไปอย่างนี้ๆๆๆๆเราจะดับตรงไหนพระพุทธเจ้ายังกล่าวถึงอีกนะว่าก่อนที่เราจะมีตัณหาเนี่ยทำให้เกิดการแสวงหาเนี่ยอะไรมันมาเป็นเหตุก่อนพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ว่า ก็เพราะว่ามีการเกิดเนี่ยการความแก่และความตายมีเนี่ยเพราะปัจจัยคือการเกิดใช่หมค่ะทีนี้ใครก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาเทพรมคนทันยักษ์อะไรต่างๆเนี่ยเมื่อมีการเกิดเนี่ย<ค>เพราะมีพบเป็นปัจจัยที่มีพบเป็นปัจจัยเนี่ยก็เพราะว่ามีอุปทานคือความติดยึด <ค S 1> เป็นปัจจัยมีอุปทานเป็นปัจจัยเพราะมีตัณหามีตัณหาเนี่ยจึงมีการแสวงหา ไหลไปแนวไปลักษณะนี้ก็ได้เพราะว่าเราอยู่ในชาติเนี้ยเราเรามีตัวตอนอยู่ตรงเนี้ยที่เรามีตัวตอนอยู่เนี้ยเพราะว่ามันมีพพคือมีโลกนี้อยู่ที่เรามีโลกนี้อยู่ได้เนี้ยก็เพราะว่ามันมีอุปท า, านจึงทําให้มีการติดยึดในโลกนี้อยู่ใช่ไหมค่พะพอมีโลกนี้อยู่เนี้ยจึงทําให้มันมีตัณหามีตัณหาเราก็ต้องแสวงหาตื่นเช้ามาเนี้ยหาข้าวกินก็เป็นการแสวงหาละค่ะเพราะมันมีมันมีความเป็น ความความเป็นเราการเกิดขึ้นมาเนี่ยใช่ใช่ไหมคะการเกิดจึงมีปัญหาต่งตางๆพวกนี้ตามมาถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่มีมันก็ยังเข้าใจยากอยู่เหมือนกันนะคะก็เพราะว่ามเีเมื่อไม่เกิดไงจึงไม่มีปัญหาเหล่านี้เพราะมีการเกิดขึ้นมาปัญหาเหล่านี้จึงมีตามมาค่ะ<ม>ยังมีอีกไม่กี่สาเหตุของการเกิดความขัดแย้งของพระพุทธองค์เพราะมีเวลาเหลือสักสองนาทีท่านคะ่ะ อ, อ, อีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ ที่เกี่ยวกับสาเหตุของการาขัดแย้งกันเนี่ยนะก็คือว่าการที่ผูกเวร<ะ>บุคคลผูกเวรกันได้ยกตัวอย่างของภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ว่าไม่ยอมไม่ยอมลงรอยกันเนี่ยด้วยเหตุเรื่องแค่ว่ า, าความเห็นไม่ตรงกันนิดเดียวเนี่ยเพราะว่าผูกเวรผูกใจเจ็บว่าบุคคลผู้นี้ได้ด่าเราบุคคล<ะ>ผู้นี้ได้ทําให้เราเครียดแค้นเราผูก<ะ>เวรไว้แค่นี้เอง มันก็เลยไม่จบเพราะไม่มีมมใครยอมเป็นคนแรกที่ตัดวงจรของการผูกเวรอย่างอย่างที่เราได้เคยพูดพูดกันไปในรายการเี่เจ้ากรรมนายเวรเวรมีพระพุทธเจ้าพูดไว้กรรมมีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แต่ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรเนี่ยมไม่มีสําคัญมากถ้าจารย์เขาเวลาหมดจริงๆแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยติดตามฟังต่อไปในวันพรุ่งนี้เพราะคิดว่าเกิดประโยชน์กับทั้งตัวท่านเองแล้วก็กับการที่เราจะ ทำให้สังคมช่วยกันเข้าใจนะคะเหตุแห่งความขัดแย้งจะได้ช่วยกันที่นำพาไปสู่ความขัดแย้งที่น้อยลงหรือไม่มีเลยนั่นก็เป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าหวังสูงสุดจริงๆวันนี้น้มสักการขอบพระคุณท่านอาจารย์ภัยบุญอภิปุลโนวัดป่าดอนหายโศกไว้ในะโอกาสนี้นะคะ <ยา S 1> น้มสักการ์ <ยา S 1> ค่ ะ, ะเร